บัณฑิตผู้มีปรีชาพึงพิจารณาเถิดว่าพระอัฏทังคิกะมักทั้ง8ประการนี้จะตูสุภูมิสุอุ ป, ปัชติย่อมบังเกิดในภูมิทั้งสี่คือบังเกิดในกามาพจรภูมิแล้วรูปารพจรภูมิอรูปารพจรภูมิและโลกุตระภูมิเมื่อบังเกิดในโลกุตระภูมิก็ได้ชื่อว่าโลกุตระมักเหมือนดังพนนามาตหลัง เมื่อบังเกิดในกามผพจรภูมิก็ได้ชื่อว่าโลกียามักและมักอันเป็นโลกีมีในกามผพจร น, นั้นคือโยคขาผะจรสัตบุรุษผู้มีศรัทธากระทำการกุศลปฏิบัติบำเพ็ญทานและรักษาศีลเจริญภาวนาสนับฟังพระธรรมเทศนาเป็นประธานอธิบายว่าพระโยคาผจรบำเพ็ญทานครั้งใด ก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติตามพระอัฏทางกิกรรมครั้งนั้นถ้าได้รักษาศีลครั้งใดก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติตามพระอัฏทางกิกรรมักครั้งนั้นถ้าได้บำเพ็ญเพียรภาวนาและสดาบฟังพระสัทธรรมเทศนาเพลาใดก็ได้ชื่อว่าบำเพ็ญพระอัฏทางกิกรรมักในเพลานั้นเหตุพระอัฏทางกิกรรมักปประการนี้ เกิดพร้อมด้วยศีลทานการกุศลทั้งปวงนั้นทุกๆุกครั้งผู้มีปัญญาพึงพิจารณาเห็นพลานิสงศีลละทานเป็นต้นว่ากองการกุศลเหล่านี้อาจให้สำเร็จแก่ไตรพิษสมบัติสประการเมื่อปัญญาอย่างรู้อย่างเห็นดังนี้ก็จัดได้ชื่อว่าสัมมาทิฐิบังเกิดในสันดานวิตกเจตสิก ซึ่งดำริในกองกุศลมีทานและศีลเป็นต้นนั้นก็จัดได้ชื่อว่าสัมมาสังกัโปบังเกิดในสันดานวิรติไตรเจตสิกซึ่งเว้นจากวจีทุจริตเว้นจากกายทุจริตเว้นจากมิชาชีพเลี้ยงชีวิตผิดธรรมในขณะเมื่อบำเพ็ญทานรักษาศีลจเจริญเมตตาภาวนานั้น ก็จัดได้ชื่อว่าสัมมาวาจาสัมมารกรรมโตสัมมาอาชโวบังเกิดในสันดานวิริยาเจตสิกซึ่งภาคเพียรในกองการกุศลมีศีลและทานเป็นต้นก็จัดได้ชื่อว่าสัมมาวายาโมบังเกิดในสันดานเจตสิก ซึ่งระลึกไปในกองการกุศลเป็นนิดนั้นก็จัดได้ชื่อว่าสัมมาสติบังเกิดในสันดานเอกคตาเจตสิกซึ่งยังจิตให้ตั้งมัน่นมิได้เจลาจนในกองการกุศลมีศีลและทานเป็นต้นนั้นก็จัดได้ชื่อว่าสัมมาสมาธิบังเกิดในสันดาน ว่ามาทั้งนี้ด้วยสามารถพระอัฏทางกิกรรมักบังเกิดในกามาพจน์เป็นโลกียมักอีกประการหนึ่งประโยคาพจน์จำเริญสมถะกรรมฐานภาวนาครั้นได้สำเร็จปฐมฌานแล้วเจตสิกทั้งห้าคือปัญญาหนึ่งวิริยะหนึ่ง สติหนึ่งวิตกหนึ่งเอกคตาหนึ่งเจตสิกทั้งห้านี้เกิดด้วยปฐมฌานาจิตนั้นได้ชื่อว่ามรคประกอบด้วยองค์ห้าประการด้วยว่าเจตสิกทั้งสาคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิโวทั้งสมนี้มีได้บังเกิดด้วยรูปาพระจรฌานาจิตนั้น เหตุเมื่อเข้าฌานอยู่นั้นหากายกรรมวจีกรรมไม่ได้มีแต่มโนทวานจิตสิ่งเดียวปัญญาอันพิจารณาองค์ชานั้นชื่อว่าสัมมาธิฏฐิวิตกอันยกจิตขึ้นสู่อารมณ์นั้นชื่อสัมมาสังก ป, ปวิริยะเป็นผู้อุปธรรมแกฌานจิตนั้นชื่อว่าสัมมาวายาโม О. สติอันดำรงชาญาจิตให้ตั้งอยู่มิได้ลืมนั้นชื่อว่าสัมมาสติเอกคัตตาเจตสิกซึ่งยังชาญาจิตให้ตั้งมัน่นมิได้เจราจนนั้นชื่อว่าสัมมาสมาธิเจตสิกห้าดวงนี้ได้ชื่อว่าอัตถังคิกรมักทั้งห้าบังเกิดด้วยรูปาพระจรจิตบันดิต ผู้ปรีชาพึงรู้ด้วยประการดังนี้เถิดอีกประการหนึ่งเมื่อโยคขาพจรตั้งจิตเจริญสมถภาวนาได้อรู ป, ปาพจรนฌานสี่ประการคืออากาสานัญจายตนะฌานและวิญญาณัญจายตนะฌานและอากินจัญญายตนะฌานและเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้น เจตสิกสี่ดวงคือปัญญาวิริยะสติเอกคตาเจตสิกบังเกิดด้วยอรูปาพระจรชาณจิตทั้งสี่นั้นปัญญาอันพิจารณารู้จักองค์ชานนั้นชื่อว่าสัมมาทิฏฐิวิริยะคำชูชาณจิตนั้นชื่อว่าสัมมาวายโม О. สติอันดำรงชาณจิตนั้น ชื่อว่าสัมมาสติเอกขตาเจตสิกยังชาณจิตให้ตั้งอยู่เป็นต้นมิได้จรลาจนนั้นชื่อว่าสัมมาสมาธิเป็นอัตถังคิกมักสี่ดังนี้เหตุว่าอรูปะผจอนชาณ น, นั้นเป็นปัญจมะชาญหาวิตกมิได้องค์มักทั้งสี่เกิดด้วยอรูปะผจอนจิต ัณิตผู้มีปรีชาพึงรู้ด้วยประการดังนี้เถิดอัดทังคิโกมัคโคอัดทังคิกรรมัคทั้งแปดนี้เมื่อบังเกิดก็บังเกิดพร้อมกันทั้งแปดนั้นดุดพระอัญญาโกณทัญญาเทระได้ฟังพระธรรมจักกปะปวัตนสูตรได้ถึงพระโสดาปฏิพนนั้นพระอัดทังคิกรรมัคทั้งแปดนั้นบังเกิดด้วยโสดาปฏิพ ล, ลจิต พร้อมกันทั้ง8ดสัมมาทิฏฐิคือปัญญานั้นตรัสรู้พระอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการแจ้งดังนี้ว่าอุปาทานขันทั้งห้านั้นชื่อทุกขอริยสัจเหตุเป็นที่เกิดแห่งทุกข์ทั้งปวงตัณหาอันปรารถนาให้บังเกิดอุปาทานขันชื่อสมุทญยอริยสัจ กิริยาที่ดับตัญหาขาดมิได้บังเกิดนั้นชื่อทุกขานิโรธอริยสัตว์อัตถังคิกามักทั้ง8นั้นชื่อทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัตว์สัมมาสังกัปโปคือวิตกนั้นก็ลาเสียซึ่งมิชาวิตกทั้งสามประการคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตก และวิตกทั้งสามนี้ละเสียเป็นอันขาดสัมมาวาจานั้นก็ละเสียซึ่งมิจฉาวาจาสี่ประการคือมุสาวาตเปศุ ญ, ญาวาตภรุสวาทสัมผับปราพวาดสี่ประการดังนี้ก็ละเสียเป็นอันขาดสัมมากรรมมันโตนั้นละเสียซึ่งมิจฉากัมมันโตสามประการ คือปานาติบาตอธินนาทานการเมสยส ม, มิชฌาจารย์ทั้งสามนี้ก็ลาเสียเป็นอันขาดสัมมาวายาโม О, คือวิริยานั้นละเสียซึ่งมิชฌาวายาโม О, พยายามผิดกิจสี่ประการดังนี้คือมีให้บังเกิดซึ่งอกุศลอันยังมิได้บังเกิดแล้วลาเสียซึ่งอกุศลอันบังเกิดแล้ว และให้บังเกิดซึ่งกุศลอันมิได้เคยบังเกิดแต่ก่อนคือโสดาปติมัคคจิตและอย่างกุศลอันบังเกิดแล้วนั้นให้บังเกิดเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสัมมาสติอันเป็นไปในอารมณ์ทั้งสีประการคือพิจารณารู ป, ปรขันคือสรีระกายว่าเป็นอสุภะ และพิจารณาเห็นเวทนาขันทั้งสามนั้นว่าเป็นทุกข์และพิจารณาเห็นวิญญาณคือจิตนั้นว่าเป็นอนิจจงไม่เที่ยงไม่แท้และพิจารณาเห็นสัญญาขันและสังขารขันนั้นว่าเป็นอนัตตาหาแก่นสารมิได้สัมมาสมาธินั้นอย่างองค์อาริยามร์เจต มีสัมมาทิฏฐิเป็นอาธิอันบังเกิดด้วยสัมมาส ม, มาธินั้นให้ตั้งอยู่ในอารมณ์คือพระนิพพานเป็นมั่นคงมิได้จะลาจนไปมาอัตทังคิกรมักทั้ง8ดนี้บังเกิดพร้อมกันทีเดียวในโซดาปติมักขจิตและกระทากิจต่างๆกันดังนี้สัมมาสังกัปโป้นั้น เป็นปัจจัยแก่สัมมาทิฏฐิมีอุปมาดุดมืออันเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณเมื่อบุคคลจะแลดูซึ่งเงินและทองนั้นก็จับเอาเงินทองด้วยมือกลับไปกลับมาจักขุนั้นแลดูก็รู้จักว่าดีว่าชั่วและมีอุปมาฉันใดสัมมาสังกปนั้นเป็นปัจจัยแก่สัมมาทิฏฐิ ดำริอารมณ์อยู่เนืองเนืองส ม, มาธิถีนั้นจึงพิจารณารู้จักอารมณ์นั้นว่าธรรมมู่นี้เป็นกามพาพจรธรรมมู่นี้เป็นรูปาพจรธรรมมู่นี้เป็นอรูปาพจรแล้วก็นำไปในอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นสัมมาสังกโปนั้นเป็นพนักงานแต่ที่จะดำริอารมณ์ ให้แกสมาทิฐิดุดหัดอันจับเงินและทองกลับไปกลับมาให้แกจักขูนั้นฝ่ายว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตนั้นเล่าก็เป็นปัจจัยแกสัมมาอาชีโวเหตุว่ากายกรรมวจีกรรมเป็นสุจริตแล้วเลี้ยงชีวิตก็เป็นอันสุดจริต ฝ่ายสัมมาวายโม О, สั ม, มาสตินั้นเล่าก็เป็นปัจจัยแก่สัมมาสมาธิมีอุปมาดุจบุดสามคนอันเป็นสหายกันจะไปเล่นงานมหรสพจึงชวนกันเข้าไปในสวนอุทยานทศนาเห็นดอกจำปาก็ปรารถนาจะเก็บเอาดอกจำปาและต้นจำปานั้นสูงสดจะเอื้อมมีถึงดอกจำปานั้น จึงบูรุษผู้เป็นสหายคำรบสองนั้นก็น้อมหลังลงให้เหยียบสหายเป็นคำรบสามก็น้อมกายลงให้จับบูรุษผู้นั้นก็เหยียบหลังสหายคำรบสองจับเอาบาสหายผู้หนึ่งจึงเก็บเอาดอกจำปานั้นได้และมีอุปมาชัน้นใดสัมมาวายามนั้นดุดบูรุษผู้น้อมหลังให้เหยียบสัมมาสตินั้น ดุดบุรุษอันน้อมบ่าลงให้จับสัมมาสมาธินั้นดุดบุรุษอันขึ้นสู่หลังแล้วและเก็บดอกจำปานั้นได้กิริยาว่าสัมมาวายาโม О, กับสัมมาสตินั้นเป็นปัจจัยแก่สัมมาสมาธิซึ่งเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์มีอุปมาดุดบุรุษทั้งสามคนเป็นสหายแก่กันนั้น อีกประการหนึ่งองค์มรรคประการนี้ถ้าจะจัดโดยขันสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปโปทั้งสองนี้ชื่อปัญญาขันสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชีโวทั้งสามนี้ชื่อศีลขันสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ ทั้งสามนี้ชื่อสมาธิขันอธิบายว่าบุคคลผู้ใดเป็นอริยสาวกนั้นก็พึงกาจัดเสียซึ่งอวิชชาคือตัวโมหะอันมีลักษณะให้ลุ่มให้หลงนั้นด้วยปัญญาขันกาจัดเสียซึ่งโทโสคือตัวพยาบาทนั้นด้วยศีลขันกาจัดเสียซึ่งโลโพนั้นด้วยสมาธิขัน อีประกาศหนึ่งองค์มรค8ปประกาศนี้ถ้าจัดจัดโดยวิชาและจรณะนั้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปโปทั้งสองนั้นชื่อวิชาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิทั้งหกนี้ชื่อจรณะ วิชานั้นดุดจากขูดทั้งสองข้างเจรณะนั้นดุดเท้าทั้งสองข้างอธิบายว่าบุคคลเดินทางนั้นถ้ามีจากขูดทั้งสองข้างบริสุทธิ์จึงแหล่งเห็นหนทางอันประกอบด้วยภัยและหาไพรมิได้อันหนึ่งเล่าถ้ามีเท้าทั้งสองข้างบริบูรณ์จึงจะเดินไปตามหนทางอันปราศจากภัยนั้นได้ และมีอุปมาชั้นใดโยปุคคโลบุคคลผู้ใดได้จำเริญพระอัฏฐางคิกมักทั้ง8ประการนี้แล้วและตั้งอยู่ในที่เป็นอริยาสาวกนั้นก็จะเล็งเห็นซึ่งเหตุผลว่าปฏิบัติดังนี้เป็นเหตุอันจะให้บังเกิดทุกข์อันหาผลหาประโยชน์ไม่ได้ปฏิบัติดังนี้เป็นเหตุจะให้บังเกิดสุขอันเป็นผลเป็นประโยชน์เล็งเห็นดังนี้ ด้วยปรีชาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนั้นและอริยสาวกนั้นปฏิบัติด้วยจรณะทั้งหกนั้นคือสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิโวสัมมาวาาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิทั้งหประการนี้เป็นหนทางอันปราศจากภัยทั้งปวงคือจะถึงซึ่งเมืองหลวงคืออมตะมหานครนั้นเป็นอันชาพลัน ประดุดบุคคลอันเดินไปในหนทางและมีจักขุอันบริบูรณ์มีเท้าทั้งสองบริบูรณ์ก็จะพึงถึงที่ปรัถนานั้นตัสมาเหตุดังนั้นพักขวาองค์สมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าทรงพระกรุณาตรัสโถมนาการพระอัดทังคิกมักทั้ง8ประการด้วยสารพระคถาดังนี้ว่า อุชุโกโนามาโสมะโคลกถึงนิพพานเสวะสันติเกเป็นใจความว่าพระอัฏฐางคิกามักนี้เป็นหนทางอันตรงไปสู่ทิศคือนิพพานอันปราศจากภัยอันตรายทั้งปวงรถคือพระอัฏฐานคิกามักนี้ม่ได้กระทําเสียงเหมือนรถทั้งหลายรถทั้งปวงนั้นรั้นหาน้ามันทามิได้แล้ว รั้นแล้วว่าคนขึ้นกี่เป็นอันมากแล้วก็ย่อมกระทําเสียงดังรถคือพระอัฏฐานคิกมากนี้แม้เวนายสัพพสัตขึ้นพร้อมกันทีเดียวถึง8ปดห 0,000 ืนก็ดีก็มีได้กระทําเสียงประดุดดังรถทั้งปวงนั้นเลยรถคือพระอัฏฐางคิกมากนี้ประกอบด้วยกงหรือวงล้อคือวิริยะอันประกอบในกายและประกอบในจิต และมีฮีริโอต ป, ปะเป็นราวอันจะยุดหน่วงขึ้นนั้นประดุดราวอันกระทำด้วยไม้ให้เป็นที่ยุดที่หน่วงแห่งเสนาโยธาผู้อยู่ในรถทั้งปวงนั้นรถคือพระอัฏฐางกิกา ร, รักนี้มีโลกุตระมัคคจิตเป็นนายสารถีและมีวิปัสนาสัมมาทิฏฐิปัญญาขันธ์และพระไตรลักษ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเป็นฝ่ายหน้า พระอัฏฐานกิกรรมันี้มากอยู่ในสันดานแห่งบุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นก็ตั้งอยู่ในที่ใกล้นิพพานนั้นเหตุใดเหตุดังนั้นสมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาแก่พระพิกขุสงทั้งหลายว่าพิคเเวดูกรพิกขูทั้งหลายแม่น้ำปัญจมหานทีทั้งห้าคือคงคายมุนา อทิราวดีสรภูไมหีมหานาทีแม่น้ำทั้งห้านี้ย่อมไหลไปสู่มหาสมุทรนั้นน้อมไปสู่มหาสมุทรและมีอุปมาชั้นใดภิกขุรูปใดและจำเริญพระอัฏฐางคิกมะมักและกระทําพระอัฏฐางคิกมะมักไว้ในสันดานภิกขุนั้นได้ชื่อว่าโอนไปสู่นิพพานน้อไนนมไปสู่นิพพานเงื้อมไปสู่นิพพาน ก็มีอุปมายดุดปัญจามหานาทีทั้งห้าอันไหยไปสู่มหาสมุทรนั้นแก้ไขมาในอัฏฐางกิกรรมักเป็นโลกิยะและโลกุดอนหรือโลกุตระตามอัตถกถาวิพังและคำพีวิสุทธิมักจบแต่เท่านี้